บทที่46หลวงพ่อโสธรสนทนาปราัยกับเจ้าภาพจนได้เวลาอันสมควรแล้วท่านพระครูก็เอ่ยปากกาด้วยตั้งใจว่าจะไปแวะนมัสการหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาก่อน ต่อจากนั้นก็จะไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณนายราศีที่วัดธาตองคุณนายโสภิตนิมนต์ให้ท่านสงน้ำให้สดชื่นเบิกบานเสีก่อนเพราะจะต้องเดินทางอีกหลายชั่วโมงนายสมชายก็ถือโอกาสอาบน้ำอาบท่าเพื่อให้กระปรีก้กระปร่าจะได้ไม่ง่วงในขณะขับรถกว่าท่านพระครูจะขึ้นรถได้นายสมชายก็ต้องสตาร์ท ร, รถรอร่วมชั่วโมง เพราะเดี๋ยวคนโน้นเข้ามาถามคนนั้นเข้ามาคุยล่ำลากันอยู่นั่นแล้วพอคนนั้นลาคนโน้นก็เข้ามาคุยจนนายสมชายรู้สึกเวียนหัวข้างฝ่ายคุณนายเสวพิษก็ยกมือไหว้ลาแล้วลาอีกจนนายสมชายอดรนทนไม่ได้ต้องลงไปสัพพยอกว่าหลวงพ่อผมสตาร์ตรถน้ำมันหมดไปครึ่งถังแล้วนะครับนั่นแหละ ท่านจิงขึ้นไปนั่งในรถคู่กับคนขับโดยมีหลานชายของคุณนายสมพิษเป็นคนเปิดประตูให้ท่านไขกระจกลงและกล่าวคำล่ำลากับพวกเขาอีกอาตมาไปนะโยมนะอย่าลืมไปเที่ยววัดป่ามะม่วงบ้างล่ะค่ะหลวงพ่อวันหลังฉันจะไปขอเข้ากรรมฐานจะได้เหาะได้อย่างพี่โสพิษน้องสาวคุณนายโสพิษว่าตกลง อย่าลืมไปนะท่านสำทับนายสมชายเคลื่อนรถออกช้าๆกระนั้นก็ยังอุตส่ามีคนเกาะหน้าต่างรถและก็เดินตามมาพูดคุยกับท่านต่อเมื่อรถวิ่งเร็วขึ้นจนพวกเขาตาไม่ทันการสนทนาและล่ำลาจึงมีอันสิ้นสุดลงจำวัดที่นี่สักคืนดีไหมครับหลวงพ่อนายสมชายพูดประชดขึ้นอย่าเลย เดี๋ยวสาวบ้านเหนือจะเศร้าส้อยระห่อยหาไม่เห็นหน้าเธอท่านพูดแทงใจดำคนที่กำลังขับรถนายสมชายจึงต้องเงียบเพราะเกิดคิดถึงคนรักขึ้นมาตงิด ต, ตงิดวันนี้กว่าจะถึงวัดก็คงจะดึกเดินเที่ยงคืนจะเห็นหน้ากันอีกครั้งก็คงตกข้ามของวันรุ่งขึ้นคิดถึงคิดถึงคิดถึงขนึงหา เขาแอบครวนเพลงอยู่ในใจท่านพระครูเปิดโอกาสให้เขาคิดคำนึงอย่างอิสระด้วยการไม่ชวนคุยท่านนั่งหลับตาไปตลอดทางกระทั่งรถแล่นมาจอดที่ลานจอดรถที่หน้าวัดพระพุทธโสธรหลวงพ่อจะเข้าไปเยี่ยมท่านจเจ้าอาวาส ด, ด้วยหรือเปล่าครับนายสมชายถามไม่รอกท่านไม่อยู่ไปกรุงเทพตั้งแต่เช้าทาไมหลวงพ่อรู้ล่ะครับ ถามเพราะเคยปากก็ทำไมฉันจะไม่รู้ละ่ะตอบเพราะเคยชินนั่นสิผมก็ชอบลืมทุกทีว่าหลวงพ่อรู้อะไรอะไรได้ทุกอย่างถ้าอยากจะรู้แต่ก็อดถามไม่ได้สักทีปากมันเคยนะครับเขาพูดพลางอ้อมมาเปิดประตูให้ท่านลงจากรถแล้วก็เดินตามท่านเข้าไปในวิหารที่สถิตพระพุทธโสธรซื้อดอกไม้ ทูบเทียนทองถวายท่านและให้ตัวเองด้วยท่านพระครูเข้าไปกราบนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดฉะเชิงเราเสร็จแล้วก็เดินกลับมาที่รถสั่งคนขับว่าประเดี๋ยวแวะซื้อกยศาสตร์ร้านข้างทางไปฝากญาติโยมเขาหน่อยญาติโยมที่ท่านพูดถึงก็ได้แก่พระลูกวัดแม่ชีแม่ครัวตลอดจนอุบาสกอุบาสิกา ที่มาเข้ากรรมฐานไปไหนมาไหนท่านมักจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากพวกเขาเสมอๆหลวงพ่อครับเขาว่ากันว่าหลวงพ่อโสธรท่านศักดิ์สิทธิ์มากเป็นเพราะอะไรครับและทำไมพระพุทธรูปองค์อื่นๆถึงไม่ศักดิ์สิทธิ์นายสมชายตั้งคำถามจะว่าไปแล้วพระพุทธรูปก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละคือทำจากอิดจากปูนเหมือนกัน แต่บางองค์ศักดิ์สิทธิ์ขณะที่อีกหลายองค์ไม่ศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ขึ้นอยู่กับเทพหรือว่าเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่พระพุทธรูปองค์นั้นๆถ้ามีเทพหลายองค์ก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากถ้าไม่มีเทพสิงสถิตยอยู่เลยก็เป็นพระอิฐพระปูนธรรมดาธรรมดาแต่เราก็สักการะบูชาในฐานะท่านเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือที่เรียกว่าเป็นพุทธานุสติส่วนความศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งไม่เกี่ยวกันแล้วหลวงพ่อโสธรท่านมีเทพศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่กี่องค์ครับ16องค์พระพุทธชินราชกับหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็มีเทพสิงสถิตหลายองค์เทพเหล่านี้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือที่เรียกว่าพวกเทวดาตรง ส่วนพวกเทวดาพานไม่ชอบอยู่กับพระเพราะคุณธรรมไม่มีพวกนี้จะเกลียดพระด้วยซ้าก็เหมือนมนุษย์พวกที่ทำบาปทำชั่วเป็นอาจินพวกนี้จะไม่นับถือพระเห็นพระแล้วก็ไม่เลื่อมใสบางคนมีอาการคลื่นไส้ด้วยซ้าฉันเคยรู้จักคนหนึ่งที่ชื่อในบุญช่วยหมอนี่เข้าวัดทีไรอาเจียนเห็นพระก็คลื่นไส้ เลยเกลียดวัดเกลียดพระฉันก็เลยมาวิจัยดูว่าเป็นเพราะเหตุอะไรก็ได้เห็นกฎแห่งกรรมค่องเขาว่าตาคนนี้บาปหนะักชาติก่อนๆทำกรรมชั่วไว้มากมาชาตินี้ก็มีอาชีพรับจ้างฆ่าคนแล้วแบบนี้นรกเขาจะปล่อยออกมาได้อย่างไรละครับทำไมเขาไม่เอาตัวไว้ลงโทษทันคนถามรู้สึกกังขา ก็ยังไม่ถึงเวลาอย่าลืมว่ากรรมน่ะมันทำหน้าที่เหมือนม้วนเทปบันทึกเสียงนั่นแหละเมื่อถึงเวลามันก็จะให้ผลเองโดยอัตโนมัติเหมือนการหมุนของม้วนเทปและในบุญช่วยคนนี้เขาเป็นคนเดียวกับที่ทำให้หลวงพ่อเควียงกระจกหมอดูลงแม่น้ำเจ้าพยาหรือเปล่าครับไม่ใช่คนละคนแต่บังเอิญชื่อไปพ้องกันแม้พูดก็พูดเถอะครับหลวงพ่อ ตั้งแต่ผมรู้จักคนชื่อนี้มากี่คนกี่คนก็หาดีไม่ได้สักคนอย่างนายบุญช่วยที่อยู่บ้านเหนือวัดนะ่ะก็ลักเล็กขโมยน้อยเป็นอาจินจนชาวบ้านเขาเบื่อนายถ้าผมมีลูกรับรองจะไม่ให้ชื่อนี้เด็ดขาดชายหนุ่มว่าจะชื่ออะไรก็ไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ตัวตั้งหากละ่ะคนจะดีจะเลวอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่ชื่อ คนชื่อบุญแต่ทำบาปก็ต้องได้รับบาปอยู่วันยังคำ่ำหรือถ้าเกิดมีคนชื่อในบาปแต่เขาทำบุญเขาก็ได้บุญเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ส่วนในบุญกลับต้องไปอบายไปทุกขติเพราะพระครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้คนเป็นสิบฟังหลวงพ่อครับสวดพระอภิธรรมคุณนายราศีเริ่มกี่ทุ่มครับนายสมชายเปลี่ยนเรื่องถาม ทุ่มตรงเธอถามทำไมเพื่อจะไปถึงก่อนงานเริ่มเราไม่เกอร์แย่หรอครับเขาแสดงอาการปริวิทตกเพราะขนานั้นเพิ่งจะสี่โมงเย็นอีกชั่วโมงเสร็ศษก็จะถึงกรุงเทพเรื่องนั้นเธออย่าได้วิตกกังวลไปเลยประเดี๋ยวถึงกรุงเทพเธอพาฉันไปเสาชิงช้าฉันจะไปซื้อผ้าไตรสักสองสามรับเอาไว้ช่วยวันเผา สบเจนวนสีสำรับหนึ่งคุณนายราศีอีกสำรับหนึ่งกรุงเทพรถติดกว่าจะไปจะมาก็ได้เวลาทุ่มพอดีเชื่อฉันสิครับผมเชื่อหลวงพ่อนิ่งไปอึดใจหนึ่งก็ถามขึ้นอีกว่าแล้วเราจะถึงวัดกี่ทุ่มกี่ยามกันล่ะครับจะถึงกี่ทุ่มก็ช่างประไรไม่เห็นจะมีอะไรต้องห่วงหรือว่าเธอห่วงอะไร ท่านแกล้งย้อนถามพอไม่มีห่วงอะไรหรอกครับถ้าจะห่วงก็ห่วงหลวงพอ่อนั่นแหละกลัวว่าจะเหนื่อยเกินไปเขาว่าอย่าเอาฉันมาอ้างเลยนาะเธอกลัวจะไม่ได้เห็นหน้าสาวบ้านเหนือต่างหากทำใจซะเถอะสมชายเอ้ยวันนี้ยังไงยังไงก็ไม่ได้พบกันฉันรู้แล้วก็ยังรู้อีกว่าเธอไม่ถึงกับขาดใจ วายปรานไปเสีก่อนหรอกดวงยังไม่ถึงคาดท่านพูดอย่างรู้เท่าทันฝ่ายนั้นจึงออกไปข้างๆขู่ๆว่าครับดวงของผมอายุยืนว่าจะอยู่ไปสักสองร้อยห้าสิบปีค่อยตายงั้นหรือนิมนต์ตามสบายนะส่วนฉันอีกสี่ปีก็ขอลาท่านเผลอบอกความลับคนฟังตกใจเหลือหลายจนรด ฉลับออกขวาไปครึ่งคันโชคดีที่ไม่มีรถสวนมาจึงทำให้คนขับทั้งตกใจทั้งโล่งใจในเวลาเดียวกันเขาประคองพวงมาลัยให้รถเข้าเส้นทางแล้วลดความเร็วลงกระทั่งรถคันหลังๆที่วิ่งตามมาแซงออกหน้าไปหมดแล้วจึงเบรกพรืดจอดเสียตรงข้างทางด้วยหมดเรี่ยวแรงที่จะขับต่อไปขับรถขับราให้มันดีๆหน่อย ประเดี๋ยวกอ็อยู่ไม่ครบ250สปีหรอกท่านพระครูสัพยอกขณะที่นายสมชายคิดว่ากำลังอยู่ในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานนี่เธอหยุดรถทำไมกันท่านถามด้วยอาการปกติทั้งน้ำเสียงและสีหน้าหลวงพ่อครับผมไหวละ่ะพูดพร้อมกับยกมือไหว้ผมถามจริงๆถามจริงๆเถอะครับ ว่าเมื่อกี้หลวงพ่อพูดอะไรหลวงพ่อพูดเล่นใช่ไหมครับผมไม่สบายใจเลยที่ได้ยินนั่นเพราะเธอเป็นคนไม่ยอมรับความจริงนะสิเอาละไหนๆฉันก็เผ้อพูดออกไปแล้วกอจะบอกให้เธอรู้ไว้เสียเลยเธอฟังแล้วก็จำไว้นะว่าวันที่14ตุลาสอ2พันฉันจะประสบอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักตาย ตอนเที่ยง45้านาทีกฎแห่งกรรมบอกอย่างนั้นได้ยินท่านพูดนายสมชายถึงกับร้องไห้ด้วยความโทมนัสเขาเอามือปาดน้ำตาและถามท่านว่าทำไมหลวงพ่อจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยล่ะครับนี่ถ้าผมไม่ได้ยินจากปากหลวงพ่อเอง ผมก็ไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะกรรมนาสีสมชายเอ่ยกรรมบันดาลให้ฉันต้องเป็นอย่างนั้นท่านตอบเสียงเรียบกรรมอะไรครับผมเห็นตหลวงพ่อทำกรรมดีตอนทำกรรมชั่วเธอไม่เห็นนาซีดูเหมือนเธอจะยังไม่เกิดด้วยมั้งตอนชันอายุส2 1 3องาชั้นค่านกตายเป็นร้อยๆนกกระสายิงมันลงมาแล้วก็หักคอมันซ้าอีก รครับแต่นั่นมันตอนเด็กหลวงพ่อยังไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษตอนนี้หลวงพ่อบวชแล้วและก็เป็นผู้วิเศษอีกด้วยผมว่าไม่น่าจะต้องไปรับกรรมถึงปานนั้นถ้าฉันเป็นผู้วิเศษอย่างที่เธอว่าก็ดีนะสิแต่บังเอิญชันไม่ได้ดเป็นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรับกรรมตามระเบียบออแต่ถึงจาเป็นผู้วิเศษก็ใช่ว่าจะหนีกรรมพ้นหรอกนะ ดูอย่างพระโมคขลานะท่านเป็นผู้วิเศษขณะเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ยังถูกโจนทุบจนกระดูกแหลกเป็นเม็ดเข่าสารหักเพราะฉะนั้นเธอจงเขาใจเสียใหม่ให้ถูกต้องว่าผู้วิเศษจะต้องชดใจกรรมเหมือนกันเอาละทำใจเหตุสบายก็แล้วกันแล้วออกรถได้ประเดี๋ยวจะไม่ทันงานแล้วก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะ อย่าไปบอกใครเป็นอันขาดโดยเฉพาะเจ้าคุ้นทองชันรำคาญประเดี๋ยวจะมาทําวิทไว้กระตู่วู้ใส่ชั้นท่านนึกถึงภาพของหลานชายหากเขาทราบเรื่องนี้ลุงพ่อเคยบอกเรื่องนี้กับใครหรือยังครับก็เพลอบอกพระบุเฮียวเป็นคนแรกเธอเป็นคนที่สองเอาไว้เวลานั้นไกลเข้ามาจะบอกคนอื่นๆมันจําเป็นต้องบอกนะ ฉันจะได้ขอเอาหสิกรรมจากเขาในขณะเดียวกันก็จะได้ขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือฉันเช่นญาติโยมที่นำข่าวของเงินทองมาช่วยเป็นค่าน้ำค่าไฟและก็ค่าอาหารเป็นต้นหลวงพ่อไม่มีทางแก้ไขเอย่างอื่นได้เลยเหรอครับหรืออย่างน้อยก็ต่อเวลาไปอีกสักสิบปียี่สิปีหลวงพ่อน่าจะต่อรองกับเจ้ากรรมในเวนได้ผมรู้ว่าหลวงพ่อทาได้ นายสมชายยังไม่ยอมยุติเรื่องที่กำลังสนทนาอยู่สมชายเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วท่านพระครูสั่งแม้จะด้วยเสียงที่ราบเรียบหากชายหนุ่มก็รู้สึกว่าต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเขาจึงหยุดพูดแต่ไม่ได้หยุดคิดคิดข้องใจสงสัยไปตลอดทางเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว คิดแล้วคิดเล่าเฝ้าแต่คิดก็ยังหาคาตอบให้ตัวเองไม่ได้ในที่สุดเลยเปลี่ยนมาคิดถึงสาวบ้านเหนือแทนเพราะสบายใจกว่านายสมชายนำท่านพระครูมาส่งที่ร้านสังคพันฑ์แห่งหนึ่งย่านเสาชิงชา้าและตัวเขาก็ไปหาที่จอดรถท่านพระครูเดินเข้าไปในร้านคนขายอายุประมาณสี่สิบเศษรีบออกมาต้อนรับนิมน์ครับหลวงพ่อ มีอะไรที่ให้ผมรับใช้เขายกเก้าอี้มาให้ท่านนั่งพรางก็สั่งลูกจ้างให้นำน้ำชาร้อนๆมาถวายอาตมาอยากจะซื้อผ้าไตรสักสองสำรับเอาสีกลากชนิดเนื้อดีที่สุดราคาแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรท่านสั่งปกติแล้วของที่จะให้แก่ผู้อื่นนั้นท่านจะต้องเลือกชนิดที่ดีที่สุดแต่สำหรับตัวท่านเองแล้วอะไรก็ได้ และแต่ญาติโยมเขาจะถวายหลวงพ่อใช่เองเหรอครับคนขายถามอย่างสงสัยเพราะพระจะไม่ซื้อผ้าไตราสาหรับตัวเองแต่พระสมัยนี้มักจะไม่ค่อยเคร่งสักเท่าไหร่หลวงพ่อรูปนี้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นด้วยไม่ใช่หรอกโยมอาตมาจะเอาไปช่วยงานศพเขาอัตมาไม่เคยซื้อผ้าไตรจีวรให้ตัวเอง ได้ฟังคำพูดของท่านเจ้าของร้านก็เกิดศรัทธาจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นผมจะขอร่วมทําบุญด้วยนะครับผมจะขายให้หลวงพ่อหนึ่งสำรับส่วนอีกสำรับผมขอถวายเพื่อร่วมบุญกับหลวงพ่อชายวัยสี่สิบเศษแสดงความจํานงถึงอย่างไรเขาก็ไม่ขาดทุนเพราะได้บวกกําไรไว้เท่ากับราคาต้นทุนหากเป็นความะสมของโยม อาตมาก่ออนุโมทนาคงไม่คิดว่าอาตมามาเรี่ยรายนะเงินทองอาตมาก่อเตรียมมาพร้อมไม่ชอบรบกวนใครๆทันรีบพูดออกตัวเพื่อการการเข้าใจผิดผมไม่ถือเป็นการรบกวนหรอกครับนานๆจะเจอพระอย่างหลวงพ่อสักครั้งคนที่เป็นพระเท่าที่ผมเห็นและรู้จกักท่านเอาแต่รับลูกเดียวแต่หลวงพ่อกลับเป็นผู้ให แถมเลือกของดีที่สุดให้อีกด้วยผมศรัทธาหลวงพ่อจริงๆครับเขาพูดพร้อมกับนำผ้าไตรสองสำรับมาใส่ถุงกระดาษให้ท่านพอดีกับนายสมชายเดินเข้ามาจึงรับของมาถือไว้ท่านพระครูจ่ายเงินตามราคาที่เขาบอกให้สีนให้พรและกล่าวลาเจ้าของร้านหลวงพ่อองค์นี้คงไม่ใช่พระธรรมยุทธ์นะเพราะท่านจับเงินเจ้าของร้านพูดกับลูกจ้างนมครับ คงเป็นพระมหานิกายแต่ท่าทางท่านสมถะน้าเลื่อมใสดีนะครับพระบางรูปทำเคร่งไม่จับเงินจับทองต่อหน้าคนอื่นๆแต่พอรับหลังโอ้ยแบงค์ร้อยเป็นฟ้อนเลยพระสมัยนี้ดูยากนะครับเท่าแก่ลูกจ้างว่านั่นสิว่าถึงศรัทธาถวายท่านไปสำรับหนึ่งทำบุญกับพระแบบนี้ถึงจะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่อยน่อย การจะราจรในกรุงเทพติดขัดจนนายสมชายนึกรำคาญหากเขาก็สามารถนำท่านพระครูมาถึงวัดทาตทองในเวลาหนึ่งทุ่มพอดิบพอดีพันเอกประวิทย์และคุณนายคนใหม่เข้ามาต้อนรับรู้สึกตกใจที่เห็นท่านมาท่านคงพบข่าวในหนังสือพิมพ์ แต่ทำไมจึงรู้ว่าตั้งศพอยู่วัดนี้หรือว่ามีใครไปบอกท่านคนทั้งสองต่างสงสยัยนิมนต์ครับหลวงพ่อเป็นพระคุณอย่างสูงที่กรุณามาทำไมหลวงพ่อถึงทราบว่าอยู่วัดนี้คะคุณนายคนใหม่ถามอย่างไม่อาจจะเก็บความสงสัยไว้ได้หล่อนแต่งกายชุดดําและตีสีหน้าเศร้าทว่าในตาทั้งคู่แจ่มจรัสเหมือนว่ายินดีปรีดาสินักที่หมดเสี้ยนน้ํา นายสมชายพอจะดูออกว่าผู้หญิงคนนี้มีท่าทางพิรุษเลยพานสงสัยว่าหล่อนอาจจะเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังก็ได้หลวงพ่อคงทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับพันเอกประวิทธ์ถามบ้างเขาอยู่ในชุดกางเกงสีดำเสื้อเชิดแขนยาวสีขาวผูนกนคไทสีเดียวกับกางเกงอาตมารู้เพราะคุณาราสีเขาไปลาคืนก่อนเขาไปลาด้วยตัวเอง แต่ที่รู้ว่าอยู่วัดนี้อาตมาคิดเอาเองคำตอบของท่านพระครูทำให้คุณนายคนใหม่หน้าถอดสีแสดงว่าเขารู้ตัวว่าจะตายหรือคะหล่อนถามถูกแล้วและเขาก็รู้ด้วยว่าใครยิงเขาภรรยาคนใหม่ของพันเอกประวิทย์หน้าซีดจนเห็นได้ชัดกลั้นใจถามออกไปว่าใครยิงเขาคะเรื่องนี้อาตมาบอกโยไม่ได้หรอก เพราะได้รับปากเข้าไว้แล้วว่าจะปิดเป็นความลับแต่เขาก็อโหสิกรรมให้นะเขาบอกว่าเมื่อชาติก่อนเขาเคยฆ่าคนนี้ไว้มาชาตินี้ก็เลยต้องถูกเขาฆ่ า, าจะจริงหรือไม่จริงอาตมาเป็นสงก็จะไม่ขอออกความเห็นใดๆทั้งสิน้นท่านพูดเพื่อให้คนฟังสบายใจแล้วคนยิงจะถูกจับได้ไหมคะคงไม่ได้มั้ง ก็เขาเอาหสิกรรมให้แล้วคงไม่จองเวรจองกรรมกันคำตอบของท่านพระครูทำให้สตรีวัยสี่สิบค่อยหายใจโล่งอกหล่อนรีบขอตัวไปรับแขกทางอื่นท่านพระครูบอกให้ในายสมชายนำถุงใส่ผ้าไตรามาให้ท่านส่งถุงให้พันเอกประวิทย์และพูดว่าผู้พันวันเผาศพอาตมาคงมาไม่ได้ ขอฝากผ้าไตรไว้ถวายพระสำรับหนึ่งอาตามาขออุทิศ ส, ส่วนกุศลให้คุณนายราสีด้วยพันเอกวัยสี่สิบยื่นมือมารับผ้าไตรด้วยอาการสั่นนิดๆรู้สึกปิติจนน้ำตาคลอหน่วยทั้งสองและเมื่อลูกชายลูกหญิงเดินจูงมือกันเข้ามากราบท่านพระครูเขารู้สึกรันทดจนน้ำตาไหลหลงตาจำเราสงคนได้ไหมคะเราเป็นลูกคุณแม่ราสี เด็กยิิงพูดจำได้จ้ะหนูหลวงตาขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่คุณแม่หนูมาด่วนจากไปแต่เขาไปสบายแล้วเขาบอกหลวงตาเองหนูสองคนไม่ต้องเป็นห่วงเขานะจ๊ะคุณแม่อยู่บนสวรรค์ใช่ไหมครับหลวงตาเด็กชายถามบ้างจ้ะหนูสองคนต้องหมั่นทำความดีนะจ๊ะจะได้ไปอยู่กับคุณแม่ คุณแม่รอเราสองคนอยู่ที่บนสวรรค์ใช่ไหมคะหลวงตาถูกแล้วจ้าหนูคุณนายคนใหม่มองมาเห็นลูกเลี้ยงกำลังคุยกับท่านพระครูอยู่ก็ให้นึกหมันไส้โดยมีจิตริษยาเป็นทุนเดิมอยู่จึงเดินเข้ามาเอ็ดว่าเธอสองคนมากวนพระกวนเจ้าอยู่ได้ออกไปเด็กก็อยู่ส่วนเด็กสิพันเอกประวิทย์เริ่มมองเห็นภยัยที่กาลังจะมาถึงลูกน้อยทั้งสอง รู้สึกเสียใจที่คิดผิดไม่น่าพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับสตรีผู้นี้เลยความหายนะคงจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้เมื่อถูกแม่เลี้ยงดูเด็กทั้งสองจึงกราบท่านพระครูแล้วก็พากันลุกออกไปเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไม่ได้พูดว่าอะไรเพราะหากท่านพูดเข้าข้างเด็กก็รังแต่จะให้คนเป็นแม่เลี้ยงเกิดความชิงชังหนูน้อยทั้งสองมากขึ้น ทางที่ดีก็ต้องใช้คาถาตาดูหูฟังปากนิ่งนายสมชายขับรถพาท่านพระครูมาถึงวัดป่ามะม่วงก่อนเวลาสองยามสักสิบนาทีเคาะประตูเรียกอยู่นานในขุนทองจึงสลึมสลือลุกขึ้นมาเปิดประตูให้แล้วรีบกลับเข้าไปนอนทิ้งหน้าที่การปิดประตูไว้ให้ในายสมชายทำ ท่านพระครูอยากจะถามเรื่องการสวดอภิธรรมเจนวนสีว่าเรียบร้อยดีหรือไม่ก็มีอันไม่ได้ถามท่านคิดว่าพรุ่งนี้คงจะรู้พระมหาบุญคงทำหน้าที่ของท่านได้อย่างเรียบร้อยเหมือนเช่นเคย